สามสิบสี่พระอุพิริเทรีภิกษุณีผู้เคยเป็นสนมพระเจ้าประเสนที่โกสนชาติสุดท้ายนางเกิดในตระกูลขหบดีกรุงสาวัตถีมีชื่อว่าอุพิริเป็นหญิงรูปงามน่าทัศนาน่าเลื่อมใสเมื่อเจริญวัยแล้วนางถูกนำไปสู่พระตำหนักส่วนพระองค์ของพระเจ้าโกสนเป็นพระสนม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 ซึ่งถูกความโศกครอบงำวันนี้ข้าพระองค์ถอนลูกสอนคือความโศกขึ้นได้แล้วหมดความอยากดับร้อนแล้วได้ถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นนักปราชพระธรรมและพระสมว่าเป็นสารณะแล้วออกบวชเป็นภิกษุณีบาลีอปทานว่าพระเถรีถวายอา ส, สนะแด่พระพุทธเจ้าปทุมุตตระจึงเรียกท่านว่า